ความสุขทางใจดีกว่าความสุขทางร่างกายความสุขทางใจปราศจากาภัยต่างๆความสุขทางร่างกายมีภัยต่างๆมาให้ต้องได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆ ความสุขทางร่างกายเป็นความสุขที่ไม่แน่นอนและมีการเปลี่ยนไปได้มีได้มีเสียมีมามีไปแต่ความสุขทางใจนี้จะอยู่กับเราไปเรื่อย เ, อยเป็นความสุขที่ปลอดภัยกว่า ไม่มีปัญหาต่างๆตามมาไม่มีเรื่องวุ่นวายต่างๆตามมาพระพุทธเจ้ า, าส่งสละความสุขทางร่างกายจากการเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะเสด็จออกหาความสุขทางใจด้วยการรักษาศีลด้วยการปฏิบัติธรรม จนได้พบกับความสุขทางใจที่ถาวรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพองทรงเห็นภัยของความสุขทางร่างกายเมื่อเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตาย ก็ทรงเห็นอนาคตของร่างกายของพระองค์ว่าต่อไปร่างกายของพระองค์ก็จะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายไปเวลาแก่เวลาเจ็บหรือเวลาจะตายก็จะไม่สามารถหาความสุขได้แต่ความสุขทางใจนี้ ไม่เป็นปัญหาไม่มีปัญหาเกี่ยวกับทางร่างกายคือปัญหาของทางร่างกายไม่เป็นปัญหาต่อการหาความสุขทางใจเพราะความสุขทางใจไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนั่นเองความสุขทางใจใช้การทำบุญทำทานใช้การรักษาศีลใช้การภาวนา ซึ่งไม่ต้องใช้ร่างกายทางความสุขทางร่างกายนี้ต้องใช้อะไรหลายอย่างถึงจะเกิดความสุขขึ้นมา้าต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายที่ใช้ได้ถ้าตาบอดก็ดูรูปไม่ได้ถ้าหูหนวก็ฟังเสียงไม่ได้ถ้า จมูกไม่สบายก็ดมกลิ่นไม่ได้ลิ้นก็เหมือนกันต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้แต่ร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เป็นนั่นเป็นนี่ก็จะเป็นอุปสรรค ต่อการหาความสุขนะนอกจากร่างกายแล้วรูปเสียงกลิ่นรสที่จะให้ความสุขกับเรามันก็บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะบางทีอยากดูก็ไม่มีอะไรให้ดูาบางทีอยากฟังก็ไม่มีอะไรให้ฟังหรืมไอสิ่งที่มีดูก็เบื่อ ไอสั่งสิ่งที่ได้ฟังบ่อยๆก็เบื่อจำเจซ้ำซากนี่ละคือสภาพของความสุขทางร่างกายมันมีตัวแปรเยอะกว่าจะได้ความสุขแต่ละครั้งนี้บางทีต้องเด็ดเหนื่อยก่อนอย่างเช่นถ้าเบื่ออยู่เมืองไทยเที่ยวเมืองไทยเบื่อก็ต้อง ไปเที่ยวต่างประเทศก็ต้องทำนู่นทำนี่ทำหนังสือเดินทางไปขอวีซ่าเ้วก็ต้องค้นสถานที่ที่จะไปดูว่าที่พักเป็นอย่างไรอาหารการกินเป็นอย่างไรที่จะไปดูมีอะไรให้ดูบ้างแล้วเวลาไปก็ต้องเสี่ยงภัยกับการขึ้นเครื่องบิน เครื่องบินมันก็ไม่รับประกันว่ามันจะลงมาแบบไหนบางทีมันก็ลงมาแบบที่เราไม่ต้องการนี่คือเรื่องของการหาความสุขทางใจไอ้ทางร่างกายพอไปเที่ยวกลับมาความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวก็หายไปหมดการเป็นความทรงจาอยู่ในความทรงจาเท่านั้นเองเปิดดูภาพถ่ายไป ยิ่งดูก็ยิ่งอยากจะกลับไปอีกอก็ต้องเหนื่อยอีกรอบหนึ่งเหนื่อยรอบที่หนึ่งแล้วที่นี้ก็มาเหนื่อยรอบที่สองต่ อ, อก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเปลี่ยนสถานที่เบื่อที่นี่ก็ไปที่นู่นเบี่ที่นู่นก็ไปที่นั่นย้ายไปย้ายมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ พาความสุขที่ได้มามันหมดไปไปเที่ยวปั๊บเดี๋ยวกลับมามันก็หมดไปพออยู่ว่างๆอยู่เฉยๆเหงาไม่รู้จะทำอะไรก็ต้องคิดหาที่ทำหาเรื่องทำต่อนี่คือสภาพความสุขทางร่างกายที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากและวุ่นวายและมี มีตัวแปรที่เยอะไม่แน่นอนบางทีตั้งใจจะไปเที่ยวให้สนุกก็ไปเจออากาศไม่ดีบ้างไปเจอคนไม่ดีบ้างความสนุกก็เลยหายไปไปของหายบ้างเจอขโมยหนังสือเดินทางหายอะไรต่างๆเกิดขึ้นได้พอเกิดแล้วการไปหาความสุขก็เลยเหมือนกับการไปหาความทุกข์ รู้อย่านี้อยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องเนหน็ดเหนื่อยไม่ละไม่ต้องเสียเงินเสียทองไปแล้วก็ต้องไปเจอปัญหาต่างๆ น, นี่คือตัวอย่างของการหาความสุขทางร่างกายที่จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอที่จะต้องคอยขวนขวายคอยหาอยู่เรื่อยๆ เราก็ต้องประสบกับปัญหาต่างๆอยู่เรื่อยๆไม่เหมือนกับความสุขทางใจความสุขทางใจนี้ค่อนข้างที่จะปลอดจากปัญหาทําบุญทําทานเราก็มีความสุขได้ง่ายกว่าเงินที่เราไปเที่ยวเอาเงินมาทําบุญทําทานดูลองเปรียบเทียบดูว่าอย่างไหนจะดีกว่ากัน การทําบุญทําทานนี่ง่ายมากชอบทําบุญที่ไหนก็เอาไปบริจาคที่นั่นได้เลยชอบบริจาคโรงพยาบาลก็ไปบริจาคที่โรงพยาบาลทําปุ๊บ ก, ก็มีความสบายใจขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมาแล้วก็จะอยู่กับใจนานไปกว่าความสุขที่ได้ไปจากการไปเที่ยว แล้วเวลาไม่มีเงินทําบุญก็ไม่เดือดร้อนแต่เวลาไปเที่ยวแล้วนี่พออยากไปเที่ยวอีกถ้าไม่มีเงินก็เดือดร้อนอีกไม่มีเงินเที่ยวอยู่บ้านก็งดกงิดลาคาญใจ ว, ว้าหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาหงแต่ถ้าทําบุญแล้วไม่มีบุญไปข้างนอกก็ไม่เดือดร้อนอยู่บ้านก็มีความสุข เพราะบุญทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจพอใจไม่หิวกับความสุขทางร่างกายนี่คือถ้ามีเงินทำบุญก็ทำหาความสุขแบบการทำบุญดีกว่าดีกว่าหาความสุขจากการไปเที่ยวหรือซื้อ ข, ของฟุ่มเฟือยต่างๆเป็นความสุขเดียวเดียวของที่เราอยากได้เวลาได้มาใหม่ๆโอ้ย รู้สึกมันวิเศษวิโสไปหมดแต่สักพักหนึ่งความวิเศษวิโสมันก็ค่อยๆหายไปจนต่อไปมันก็ไม่มีความหมายพอเห็นกระเป๋าใบใหม่เห็นของชิ้นใหม่ขึ้นมามันกลับมีมีคุณค่าราคามากกว่าของที่เรามีอยู่ทังทั้งที่บางทีของที่เรามีอยู่มีราคาแพงกว่าของที่เราเห็นในร้าน แต่พอเราเห็นแล้วมันเป็นของแปลกของใหม่มันก็เลยทำให้เราอยากได้เพราะความสุขที่เราเคยได้จากของเก่ามันหมดไปแล้วถึงแม่ของมันยังมีอยู่แต่ความสุขที่ได้จากมันมันหมดไปแล้วเป็นเหมือนผลไม้ดื่มเอามาคั้นนะดื่มน้ามันไปหมดแล้วเหลือแต่กากกากส้มเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะมันให้ความสุขเฉพาะน้ำ ที่เราคันออกมาความสุขที่เราได้จากการซื้อของต่างๆที่ไม่จําเป็นนี่ก็แบบเดียวกันเวลาซื้อมาใหม่ๆโอ้มีความสุขเพลิดเพลินไปกับมันนะสักพักหนึ่งมันก็หมดไปทีนี้มันดูยังไงมันก็ไม่มีความสุขนะดูว่าเจิดเจืดชื่นเหมือนกับกากส้มนี่นี่แหละคือความสุขทางร่างกายเอ แต่ความสุขทางใจเงินที่เราทำบุญไปแม้จะผ่านไปหลายวันหลายเดือนเวลานึกถึงมันก็มีความรู้สึกซาบซึ้งใจมีความสุขใจมันไม่หายไปมันให้ความอิ่มมันจะไม่ให้ก็เราเราจะไม่รู้สึกหิวกับการที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่อยากจะไปซื้อข้าวซื้อของช้อปปิ้งอะไรต่างๆ เพราะว่ามันให้ความอิ่มกับใจ ส, ส่วนเงินที่เราใช้กับการเที่ยวกับการซื้อของฟุ่มเฟือยนี้มันไปกระตุ้นความหิวความอยากไม่ได้ไปกระตุ้นความอิ่มซื้อมาแล้วเดี๋ยวก็อยากไปซื้ออกีกซื้อวันนี้แล้วเดี๋ยวอีกวันสองวันอยู่ว่างๆเบื่อไม่รู้จะอยู่ทําอะไรเดี๋ยวก็ไปซบไปช้อปปิ้งดีกว่าไปซื้อนู่นซื้อนี่ดีกว่าะ ถ้าเมืองไทยไม่มีของซื้อก็ไปเมืองนอกไปสิงคโปร์บ้างไปฮ่องกงบ้างหรือบางทีไปไกลไปยุโรปเลยไปลอนดอ น, ดอนไปปารีสซื้อกลับมาแล้วก็นิดก็เหมือนเดิมกลับมาแล้วใจก็ไม่เคยอิ่มไม่เคยพอเหมือนเดิมอันนี้คือเปรียบเทียบระหว่างความสุขทางใจกับความสุขทางร่างกาย แต่ความสุขทางใจนี้มันก็มีอุปสรรคอยู่คือกาที่จะได้มันมันก็ค่อนข้างยากเพราะมันมีตัวต่อคอยต่อต้านอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาเอาเงินไปทำบุญนี่มีตัวมาต่อต้านเยอะความตนนีความหวงนี่มันจะไม่อยากให้ไปทำบุญแต่เวลาไปเที่ยวนี่ความตนันนีความหวงมันไม่มา มันมีแต่ตัวสนับสนุนไปเลยอยากจะซื้อข้าวซื้อของอะไรไปเลยอยากจะไปเที่ยวไปเลยมีกองเชียร์เยอะแต่พอจะไปทำบุญนี่กองเชียร์หายไปหมดมีแต่หนวยต่อต้านขึ้นมาแล้วมีความเสียดายไม่อยากให้นี่คือความยาก การที่จะหาความสุขทางใจมันมีความหวงความตะหนี่อยถ้าเรื่องของการใช้เงินทองถ้าเรื่องของการรักษาศีลมันก็มีนิสัยที่คอยจะมาต่อต้านเพราะนิสัยเรามันชอบทำบาปกันเคยทำบาปจนติดเป็นนิสัย พอจะมาทำบุญก็เลยรู้พอจะมารักษาศีลก็เลยรู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันไม่เคยทำมันไม่ถนัดเหมือนถ้าเราถนัดใช้มือขวาพอเราต้องมาใช้มือซ้ายนี่เราจะรู้สึกว่ามันยากเพราะเราไม่ถนัดเราไม่เคยทำเราจึงไม่ชอบทำในสิ่งที่เราไม่ถนัดให้เลอกอบายามุเนี่ ย, ยากใชไห แรกดื่มสุรายาเมาเนี่ยากเพราะมันเคยถนัดนคนที่ไม่เคยดื่มสุรานี่ง่ายจะตายเป็นเรื่องการไม่ดื่มสุรา อ, อยู่เฉยๆก็ก็ไม่ได้ดื่มสซราลน ะ, ะแต่คนที่ดื่มโซรานี่เวลาไม่ได้ดื่มโุรามันหงุดหงิดมันลําคาญใจมันรู้สึกว่ามันขาดอะไรไป ต้องเดือดุราแล้วถึงจะทำให้ใจสงบลงทำให้ใจหายหงุดหงิดหายลำคาญใจอันนี้ก็เป็นอุปสรรคของผู้ที่อยากจะมาหาความสุขทางใจแต่ละขั้นก็มีอุปสรรคของมันทำทานก็มีอุปสรรครักษาศีลก็มีอุปสรรคการมาภาวนาเพื่อทำใจให้สงบก็มีอุปสรรค เพราะการภาวนานี่มันต้องไปเปรกวิเวกไปอยู่คนเดียวไม่ไปทำอะไรธรรมดาเ็อยู่กับคนนั้นคนนี้เคยทำโน่นทำนี่พอต้องมาอยู่คนเดียวก็เหมือนคนตกงานไม่รู้จะทำอะไรไม่มีอะไรให้ทำจะให้ทำในสิ่งที่ให ให้เกิดความสุขใจก็ทำไม่เป็นเพราะไม่ถนัดไม่เคยทำให้พุโทโธก็พุโทโธได้คำสองคำก็เบื่อละให้เดินจงกรมเดินสองสามนาทีก็เบื่อละให้นั่งสมาธินั่งได้สองสามนาทีก็อึดอั ด, อดขึ้นมาอันนี่มันก็เป็นความยากเป็นอุปสรรคของการหาความสุขทางใจแต่ก็เป็นสิ่งที่ มันไม่เหลือบาปฝ่าแรงถ้าเรามีความต้องการหาความสุขทางใจจริงๆถ้าเราศึกษาคำสั่งคำสอนเราจะได้เรียนรู้อุบายวิธีที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่มาขวางในการสร้างความสุขทางใจถ้าทำบุญและะ้วตันตหัวเงินหัวทอง ก็ให้คิดถึงความตายบ้างตายไปเงินทองนี่เก็บไว้ก็ไม่เอาไปไม่ได้อยู่ดีตายไปก็เป็นของคนอื่นไปแต่ถ้าทําบุญก็เป็นของเราบุญนี้เป็นทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ของใจที่ใจสามารถเอาไปซื้อความสุขในโลกทิพย์ได้ ถ้าคิดอย่างนี้มันก็จะทำให้ความตนันีความเสียดายเงินทองนี้หายไปได้และความสุขที่ได้จากการทำบุญก็สุขมากกว่ า, าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆถ้ามีมีก็มีอุบายมีวิธีสอนใจให้มาแก้ อุปสรรคที่ขวางกั้นเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถทำมันทได้ถ้าเราเล็งถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้เงินใช้ทองของเราว่าใช้เงินกับการทำบุญนี้มันไม่สูญเปล่าใช้เงินกับการ เ, าเที่ยวนี้มันสูญเปล่าโดราณเขาว่าเงินที่ไปเที่ยวเนี่ยเหมือนเงินเอาไปทิ้งเหว ทิ้งแล้วก็ไปเลยไม่กลับมาส่วนเงินที่ทำบุญนี้เหมือนกับเอาเงินที่ไปฝังเอาไว้ฝังไปเก็บเอาไว้ไปรักษาไว้ในตู้เซฟสมัยโบราณก็ไม่มีตู้เซฟก็ต้องใช้การฝังเงินไว้เป็น อ, อันนี้ก็เหมือนกันการทาบุญก็เหมือนกับเอาเงินเข้าไปเก็บไว้ในธนาคารบุญ เวลาเราตายไปเราสามารถเอาเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารบุญติดไปกับเราได้เพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นจิตใจร่างกายเป็นเพียงผู้รับใช้เราเท่านั้นเองเป็นเครื่องมือในการหาความสุขแต่เป็นเครื่องมือชั่วคราวร่างกายต่อไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครเป็นหมาเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นขอทาน ก็ต้องเจอสภาพอันเดียวกันจะต้องแก่เหมือนกันจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันจะต้องตายเหมือนกันพอร่างกายอยู่ในสภาพแบบนั้นก็ไม่สามารถหาความสุขแบบที่เคยหาได้จะดูจะฟังจะไปเที่ยวไปกินไปดื่มอะไรมันก็ยากหรือไม่สามารถทำได้เนี่ยคนที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี้ เวลาร่างกายแก่หรือเจ็บนี่บางทีอยากจะฆ่าตัวตายกันสมัยนี้ประเทศที่จเจริญเขาพยายามจะออกกฎหมายให้ฆ่าตัวตายได้ให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้เพราะเวลาแก่แล้วเวลาเจ็บแล้วนี่มันเป็นภาระกับคนอื่นตัวเองก็ไม่ไม่อยากจะเป็นภาระกับใครแล้วก็ทุกทรมานกับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกาย เราก็หาความสุขจากทางร่างกายไม่ได้ก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมคิดฆ่าตัวตายการฆ่าตัวตายนี้ฟังดูก็คิดว่าเป็นการแก้ปัญหาแต่มันก็เป็นการแก้ปัญหาระยะสั้นเฉพาะหน้าแต่มันไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวเพราะว่าตัวปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย ตัวปัญหามันอยู่ที่ใจที่หลอกให้ใจไปเกิดอยู่ไปมีร่างกายอยู่เรื่อยๆพอค่าร่างกายอันนี้มันก็จะหลอกให้ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่มาหาความสุขแบบเดิมต่อไปตัวที่ผักดันให้ใจต้องคอยไปหาร่างกายก็คือความอยากที่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่เอง ขันศาสนาแล้วเรียกว่ากามทันหาออยากในรูปเสียงกลิ่นรสกามแปลว่ากามคุณห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะการจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะได้ก็ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายการจะมีตาหูจมูกนิ้งกายก็ต้องมีร่างกายก็ต้องไปเกิดใหม่ก็ก็ไปได้ร่างกายที่มันจะต้องมาฆ่ามันในภายหลังต่อไป เดี๋ยวพถึงเวลามันแก่ก็ฆ่ามันอีกเนี่ยท่าหนหึงบอกว่าถ้าฆ่าตัวตายแล้วจะกลับมาฆ่าตัวตายห้าร้อยชาติเนี่ยเพราะมันจะติดนิสัยในการแก้ปัญหาเคยแก้ปัญหาแบบนี้มันก็จะแก้ปัญหาแบบนี้ต่อไปปัญหาอาจจะไม่ใช่เป็นความแก่ก็ได้เป็นความเสียใจเป็นความสูญเสียในสิ่งที่รักไปสูญเสียสมบัติไปมีสมบัติเข้าของเงินทอง ซื้อความสุขต่างๆได้พอเกิดล้มละลายขึ้นมาไม่มีเงินทองใช้อก็ไม่มีความอยากจะอยู่ก็ฆ่าตัวตายกันออสมัยนี้ฆ่าตัวตายตั้งแต่อายุน้อยเด็กน้อยๆก็ฆ่าตัวตายกันเที<ม>อ่อเมริกาเนี่เด็กโรงเรียนวัยเรียนนี่ไฮสคูลนี่ก็ฆ่าตัวตายกันเพราะว่าบางทีมัน ไม่ไม่สามารถหาความสุขผ่านทางร่างกายได้ถูกอะไรตักสังคมกดดันบางทีตัเองไม่มีความสามารถที่จะทำอะไรตามสังคมก็ได้ก็ถูกคนดูถูกเหยียดยามมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจถึงแม้บางทีเป็นลูกของมหาเศรษฐีเนี่ยเมื่อสองวันนี้ก็ลูกของหลานของ ของประธานาธิบดีแคนเนดีก็ฆ่าตัวตายอายุแค่22ปีก็เคยบ่นว่าเจอแต่ความซึมเศร้าอยู่เรื่อยจิตใจไม่มีความสุขทั้งๆ ท, ท, ที่อยู่บนกองสมบัติก อ, กองเข้าของเงินทองแต่ไม่รู้จักวิธีกําจัดความเศร้าใจความซึมเศร้าเวลาที่มันเกิดขึ้นมา าบางทีไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็อาจจะทำให้เกิดอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้เจอเหตุการณ์ที่ไม่ไม่ถูกใจก็ทำให้เกิดอารมณ์เศร้าขึ้นมาได้แล้วถ้าไม่รู้จักวิธีควบคุมอารมณ์ก็ก็ต้องทุกข์ทรมานใจสังคมเขาไม่สอนให้รู้จักวิธี ควบคุมอารมณ์ต่างๆด้วยการหาความสุขทางใจกันหาความสุขจากการทำบุญทำทานทุกคนมวุ่งไปแต่หาความสุขใส่ตัวเลยไม่ค่อยมีการทำบุญทำทานกันเลยไม่มีความสุขทางใจที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันพอถึงเวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ไม่รู้จะกำจัดอย่างไร เรื่องศีลธรรมก็ไม่ค่อยมีมีแต่การหาความสุขทางร่างกายด้วยการดื่มสุรายาเมาด้วยการเสพสารเสพติดต่างๆมีแล้วพอมีปัญหาขึ้นมาก็แก้ไม่ได้ก็เลยแก้ด้วยการฆ่าตัวตายเพราะเวลามันทุกข์มากๆมันไม่รู้จะทำยังไง มันก็คิดว่าฆ่าตัวตายมันจะได้หมดทุกข์ไปพอมองไปข้างหน้าก็มีแต่ทุกข์มองปัจจุบันก็มีแต่ทุกข์มองไปทางไหนก็มีแต่ทุกข์ก็เลยไม่รู้ไม่รู้จะอยู่ไปทาไมข่าตัวตายดีกว่าฆ่าตัวตายก็ไม่ได้ไปฆ่าตัวปัญหาคือความอยากความอยา ก, ยากหาความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสทางตาหูจมูกนิ้นมือกายพอ ไม่สามารถหาความสุขได้เจอแต่ความทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสที่ไปหาก็มีแต่เป็นแต่ความทุกข์ไม่ใช่เป็นความสุขมันก็เลยคิดฆ่าตัวตายกันแล้วพอกลับมาเกิดใหม่มันก็มาเจอปัญหาเดิมมันก็ฆ่าตัวตายมันก็ใช้วิธีเดิมฆ่าตัวตายอีกนี่คือปัญหาของการหาความสุขทางร่างกาย เราไม่ต้องมองไกลมองในโลกนี้แหะมองในประเทศที่เราคิดว่าเขาพัฒนามากกว่าเราเขาพัฒนาทางความสุขทางร่างกายกันแต่เขาไม่มีความสุขทางใจที่จะมาทดแทนความสุขทางร่างกายเวลาที่ร่างกายไม่สามารถที่จะตอบสนองในการหาความสุขให้กับเขาได้ทางเมืองไทยนี้เรามีความสุขทางใจกัน มีคนเข้าวัดเข้าวา่ามีการฝึกสมาธินั่งสมาธิทำบุญทำทานรักษาศีลกันเรามีความสุขสำรองพูดง่ายๆถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนมีร่มชูชีพถ้าเกิดเครื่องบินที่เรานั่งอยู่มันตกเราก็ยังปลอดภัยเรายังมีร่มชูชีพแต่พวกที่ไม่มีไม่รู้จักวิธีหาความสุขทางใจนี้พอร่างกายเป็นอะไรก็เหมือนเครื่องบินตก ก็ต้องตกไปกับเครื่องบินนะอันนี้คือเรื่องของความสุขทางร่างกายกับความสุขทางใจความสุขทางร่างกายมันสุขต้นแต่มันทุกปลายเวลาอยากได้มันหาง่ายมีกองเชียร์มีหลสนับสนุนเต็มที่แต่มันจะไปทุกตอนปลาย ทุกเวลาที่มันไปเจอกับสภาพที่มันไม่สามารถหาความสุขได้หรือไปเจอความสิ่งที่เราไม่อยากจะเจอรูปเสียงกลิ่นรสมันไม่ใช่จะมีแต่สุขอย่างเดียวรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นทุกข์ก็มีเพราะสิ่งเดียวกันนี่แหละมันเปลี่ยนได้มันจเจริแล้วมันก็เสื่อมได้รูปเสียงของคนที่เรารักต่อไปมันก็เปลี่ยน จากคนหนุ่มคนสาวกลายเป็นคนแก่คนเจ็บได้พอเปลี่ยนไปมันก็ทำให้ใจเราไม่สดชื่นเบิกบานเพราะใจเราสดชื่นเบิกบานกับรูปของคนหนุ่มคนสาวพอไปเจอรูปของคนแก่คนเจ็บก็มันก็ไม่เบิกบานสดชื่นนี่นี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆ ที่เราหากันผ่านทางร่างกายด้วยการสนับสนุนของความอยากในรูปเสียงกลิน่นรสเราโชคดีที่ได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาที่สอนวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งหาความสุขทางใจหาความสุขแบบที่ไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้รูปเสียงกิริร้รถไม่ต้องใช้ข้าวของเงินทองให้ใช้ธรรมะคือสิ่งที่มีอยู่ในใจของเราที่เราไม่เคยใช้มันให้เราหัดมาใช้ของที่เรามีอยู่ในตัวเราดีกว่าเรามีของดีๆอยู่ในตัวเราแต่เรากลับไม่ใช้มันเรากลับไปใช้ของที่เราเอาพึ่งไม่ได้ตลอดเวลา ของภายนอกนี่บางทีก็ใช้ได้บางทีก็ใช้ไม่ได้เวลาใช้ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่พอมันใช้ไม่ได้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาเช่นเงินทองเวลามีมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรพอมันหมดหรือไม่พอใช้มันก็เป็นปัญหาขึ้นมาร่างกายก็เหมือนกันเวลามันดีก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเวลามันไม่ดีก็เกิดปัญหาขึ้นมา แต่ถ้าเราใช้ของที่มีอยู่ในใจในตัวเรานี้มันจะไม่มีวันหมดมันจะอยู่กับเราไปเรื่อยๆถ้าเราใช้การทำบุญทำทานการแบ่งปันการเสียสละบริจาคอันนี้ก็เป็นการให้การให้ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจเราแต่เราไม่ค่อยชอบใช้กันเราชอบใช้การรับมากกว่าการให้ เราอยากได้มากกว่าอยากให้กันเวลาอยากได้มันเวลาได้ก็มีความสุขแต่เวลาอยากได้แล้วไม่ได้มันก anyway> ็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเรามาเปลี่ยนวิธีแทนที่จะอยากได้อยากให้ดีกว่าให้ในสิ่งที่เรามีเวลาเราให้อะไรไปรับรองได้ว่าจะเกิดความสุขใจขึ้นมาจะเกิดความสุขใจเบาใจสบายใจ อย่างน้อยก็ไม่ต้องมากังวลกับมันนะถ้ามีกนอยู่ก้นอนหนึ่งนี้มันก็ต้องมาคอยเฝ้าดูแลรักษาแล้วถ้าเป็นเงินที่เราไม่ต้องใช้มันก็บางทีก็มีกองเชียร์มาชวนให้เราไปใช้ในทางที่ผิดนะให้เราไปเที่ยวใช้เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ แต่ถ้าเราตัดสินใจเอาไปให้ดีกว่าเอาไปทำบุญเอาไปแบ่งปันให้คนอื่นที่เขาไม่มีเขาได้มีบ้างแบ่งความสุขที่เรามีอยู่ให้เขามีบ้างพอเราเห็นเขาได้รับความสุขจากการเสียสละของเราเราก็จะเกิดความสุขใจขึ้นมาแล้วความกังวลที่จะต้องมาคอยดูแลเงินก้อนนี้ก็หมดไปแล้วไม่ต้องม า, าต่อสู้กับ กองเชียร์ที่จะมาคอยเชียร์ให้ไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นีน่พอมันไม่มีเงินเที่ยว ม, มันก็ไม่มีกองเชียร์มาชวนน ะ, ะเชียร์ก็ไปไม่ได้อยู่ดีไม่มีเงินแล้วก็ทำให้อยู่ติดบ้านได้ อ, อยู่บ้านนี่สบายกว่าออกนอกบ้านตั้งเยอะแย ะ, อ, ะอยู่บ้านนี่จะกินจะนอนก็สะดวกสบายที่นั่งที่นอนก็สบายเสื้อผ้าก็ใส่อย่างสบายไม่เห็นต้องมาใส่ชุดนั้นชุดนี้ เวลาออกนอกบ้านทีเหมือนกับไปขึ้นเวทีดูดาราเวลาเขาจะถ่ายหนังนี่เขาต้องแต่งหน้าทาปากทำเเผาทำผมใส่เสื้อผ้าต่างๆเขาจะขึ้นเวทีกันละครเลยลิเกเอีงี้วลยเนี่ยเขาต้องแต่งตัวกันอันนี้ก็เหมือนกันเวลาออกนอกบ้านก็เหมือนกับไปขึ้นเวทีกันถ้าไม่ได้ใส่ชุดอะไรไม่กล้าออก ถ้าใส่ชุดนอนเดินออกนอกบ้านเดี๋ยวกลัวโดนชาวบ้านเขาด่า <laughs> <laughs> นี่ น, นี่คือเรื่องของวิธีหาความสุขเนี่ยมาหาความสุขทางใจเถอิอการทําบุญก็ใช่ว่าเราจะาต้องใช้เงินเสมอไปถ้าเราไม่มีเงินเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการทําบุญด้วยเงินทอง มีวิธีทำบุญอย่างอื่นได้ช่วยเหลือคนอื่นโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองก็ได้อย่างเนี้ยที่นี่มีญาติโยมสามีภรรยาคู่หนึ่งทุกวันจันทร์จะมาทำความสะอาด ห, ห้องซ่วงให้ทำไมเขาทำทำทำไมเขามีความสุขจากการที่เขาได้ทำเขาก็มาไม่ได้ขอร้องไม่ได้บอกเขาเห็นเวลาเข้าห้องซ่วมแล้วระหว่างห้องซ่วงที่โผล่กับห้องซ่วงที่ซ่าอันไหนมันดีกว่ากัน อันนี้แหละเขาก็เลยยินดีที่จะทำเขาไม่มีสตางค์ก็ไม่ไม่เสียสตางค์ก็ไม่เป็นไรมีกำลังกายมีเวลาเอาเวลาที่เราว่างนี้ไปทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับสังคมก็ได้แล้วจะทำให้เรามีความสุขใจดีกว่าไปเดินตามศูนย์การค้าแล้วไม่มีเงินซื้อของดูไปแล้วก็น้ำลายไห ล, ยลิ่นหน้อยกลับมาบ้านก็ รู้สึกน้อยอกน้อยใจทำไมอาภัพวาสนาหรือกันใช้เวลาไม่เป็นเวลานี้ก็เอาไปทำบุญทาทานได้เอาไปทำประโยชน์ได้ไปเป็นจิตอาสาไปทำงานสาธารณกุศลต่างๆแล้วแต่เราจะชอบการทำบุญทาทานนี้ต้องเลือกทำแบบที่เราชอบถึงจะมีความประทับใจ ถ้าเราไปทําในงานที่เราไม่ชอบมันจะไม่รู้สึกประทับใจถึงแม้ว่าจะเป็นการทําบุญเป็นการเสียสละแต่มันไม่อิ่มเอิบใจเหมือนกับการที่เราทําแบบที่เราชอบ <c oughs> คนที่ทําบุญจึงมีแล้วทำหลายแบบด้วยกันบางคนก็ชอบปล่อยนกปล่อยปลาบางคนก็ชอบไปถ่ายวัวควายถ่ายชีวิตวัวควาย บางคนก็ชอบไปล้างซ้วมบางคนก็ชอบกวาดบางคนมาที่วัดนี่พอเห็นใบไม้ปั๊บนี่จับไม้กวาดกันช่วยกันกวาดกันอันนี้ทาแล้วมันมีความสุขไม่ต้องมีเงินก็ได้การทำบุญไม่จำเป็นจะต้องมีเงินสมหาไป ที่ที่ที่ใช้เงินกับเพาะพวกที่มีเงิน้วไม่รู้จะทำอะไรกับมันเก็บไว้ก็ตายไปก็เอาไม่ ไ, มไ้เอาไปไม่ได้เก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้ไม่เกิดประโยชน์อะไรกลายเป็นภาระต้องคอยดูแลรักษาหรืออาจจะกลายเ ป, เป็นเป้าของกิเลสตัณหาที่จะมาคอยยุยงให้ไปซื้อของที่ไม่จำเป็นซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหรา หรือไปเที่ยวไปกินไปดื่มแล้วก็เกิดโทษกับร่างกายอกีกเที่ยวมากๆก็นอนหลับไม่พอพักผ่อนไม่พอกินมากๆก็เดี๋ยวก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆขึ้นมาะเไขมันอุดตันความดันสูงออน้ำตาลมากะเก็เกิดจากเนี่ยเกิดจากการที่เรามีกินมีใช้กันมากเกินไปเพราะั้นเราต้องคอย กำจัดเงินทองที่มันมีมากเกินไปดีกว่าอย่าเอามาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะต้องเอามาทำเอามาใช้แล้วเป็นโทษกับร่างกายและจิตใจของเราการใช้เงินมันก็เป็นโทษกับจิตใจด้วยเพราะมันใช้แล้วมันจะติดมันจะต้องใช้อยู่ทุกวันพอวันไหนไม่มีเงินใช้มันจะรู้สึกหนุดหงิดตำคารใจนี้ แล้วถ้าใช้ทับทางร่างกายมันก็เป็นผลเสียหายกินมากเกินไปก็เป็นผลเสียหายไปซื้อสุราดื่มก็เสียหายกับร่างกายเป็นสามารถทำให้เกิดมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆได้คนดื่มสุราคนสูบบุหรี่อันนี้คือโทษของการใช้เงินไปในทางที่ผิดเนี่ยอันนี้ ถ้ามีเงินแบบใช้เงินแบบนี้เปลี่ยนมาใช้กับการทำบุญดีกว่าทำบุญแล้วไม่มีโทษเลยไม่มีโทษกับร่างกายไม่มีโทษกับจิตใจมีแต่คุณกับร่างกายคุณกับจิตใจเพราะจะไม่กินมากเกินไปมันจะไม่ได้เที่ยวจะมีเวลาพักผ่อนหลับนอนเยอะๆร่างกายจะสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจก็ไม่มีอะไรมาคอยกดดันไม่มีความอยากที่จะมาคอยกดดัน เวลามีความอยากกดดันมันจะทำให้เรารู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจหรือบางทีก็เศร้าซ้อยหงอยเหงาว้าเหวหรือซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากความอยากทั้งนั้นอ่ะอารมณ์ต่างๆความทุกข์ต่างๆอารมณ์ที่เป็นทุกข์นี่มันเกิดจากความอยากต่างๆที่มันมาคอยกดดันจิตใจแต่ถ้าเราคอยผืนมันด้วยการไม่ทำตามมัน มันจะให้เราไปเที่ยวเราก็ไม่ไปมันจะให้เราไปซื้อของฟุ่มเฟือยเราก็ไม่ไปเร า, เาไปทำบุญดีกว่านะมันทำบุญแล้วใจจะสงบลงความอยากที่คอยมากดดันเราจะน้อยลงไปเรนะาจะเวลาอยู่เฉยๆเราก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดลาคาใจหรือซึมเศร้าหรือว่าวุ่นขุ่นมัวแต่อย่างใดนะนี่คือ วิธีหาความสุขทางใจจากการเสียสละแบ่งปันถ้ามีเงินทองแล้วมันเป็นปัญหาก็เอาไปทำบุญดีกว่าเก็บไว้ก็กังวลจะหายหรือเปล่าดอกจะขึ้นจะลงฝากไว้ธนาคารไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยเสมอมันดีเกินดีธนาคารมันอยากจะล้มก็ล้มได้มันมีแต่ความกังวลถ้ามีทรัพย์มีสมบัติมีอะไร เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กฎอ น, นิจจังไม่มีความแน่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีใครรับประกันได้ว่ามันจะอยู่ไปแบบนี้ไปเสมอมันดีขึ้นดีมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือไปก็ได้คนที่เคยมีทรัพย์ล้ำรวยก็อาจจะกลายเป็นคนขอทานไปก็ได้คนล้มละลายไปก็ได้แต่ถ้าไม่ไปยึดติดกับเงินทองไม่ไป ใช้เงินทองเป็นสารณะใช้เท่าที่จําเป็นใช้เพื่อมาเลี้ยงดูร่างกายแต่ใจอย่าไปถือสลาณะกับเงินทองมาถือสารณะกับธรรมดีกว่าคือการทําทานทำมังสา ร, รนังกระฉามิเนี่ยการทําบุญทําทานนี่แหละคือการการมีทำมังสา ร, รนังกระฉามิเป็นที่พึ่ง ทุกครั้งที่เราทำบุญนี้เรากำลังสร้างธรรมังสรารังกัชามิขึ้นมาทำที่จะมาคุ้มครองป ก, ปกป้องรักษาใจของเร า, เาไม่ให้ทุกข์กับวุ่นวายไปกับการไม่มีเงินไม่มีทองเพราะเรามันจะไม่ใช้เงินทองมากจะพึ่งมันเฉพาะสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเองเอมันก็จะไม่ต้องพึ่งมาก คนที่เพื่งเงินทองกับของไม่จำเป็นนี้ต้องใช้เงินมากเพราะของไม่จำเป็นนี้มันมีราคาหลายระดับด้วยกันระดับแสนก็มีระดับล้านก็มีระดับสิบล้านร้อยล้านก็มีพอมันมีเงินเยอะมันก็จะซื้อของราคาแพงขึ้นไปแล้วพอมันใช้ของแพงมันก็จะติดพอเวลาต้องซื้อของถูกมันจะใช้ไม่ได้ เวลาเงินทองถึงแม้ยังไม่หมดสิ้นเนื้อประดาตัวมีเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ไม่มีความสุขละก็มีความสุขจากการใช้ของแพงพรขององแพงแพงอวดชาวบ้านเขาพอต่อมาต้องใช้แบบถูกๆก็ไม่อยากจะใช้ละอับอายขายหน้าขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่อยากจะอยู่อยู่ไปแล้วถูกคนเขาดูถูกดูแคลน ก็อยากจะฆ่าตัวตายกันอ่นี่คือปัญหาทางร่างกายความสุขทางร่างกายถ้าเราไม่ใช้เงินทองแบบนั้นแล้ว ร, รับรองได้ว่าถึงแม้เราจะสิ้นเนื้อประดาตัวเราก็ไม่เดือด ร, อร้อนตราบใดที่เราพอที่จะหาอาหารมากินได้ที่อยู่ถ้าจะเป็นจริงๆนอนที่ไหนก็ได้คนใต้โคนใต้สะพานก็ได้ใต้ต้นไม้ที่ไหนก็ได้ เมืองไทยเราดีกว่าเมืองนอกอากาศไม่หนาวเมืองนอกนี่ลาบากเวลาที่ช่วงมีช่วงฤดูหนาวนี่มันหนาวมากแต่ของเรานี่สบายอากาศไม่ร้อนเกินไปไม่หนาวเกินไปนี่คือการมหาความสุขทางใจเป็นความสุขที่ปลอดภัย ที่เรามีความที่เราจะสามารถหาได้ไปเรื่อยๆไม่มีเงินทำบุญก็ทาประโยชน์อย่างอื่นได้ไปไปอาสาสมัครไปช่วยงานที่นั่นที่นี่ช่วยคนนั้นคนนี้ช่วยคนแก่คนชราช่วยเด็กพิการทำอะไรไปแล้วจะมีความสุขใจที่เราเห็นว่าเรามีสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนให้ดีขึ้นได้ เขาลำบากยากเย็นพอเราได้รับการช่วยเหลือจากเราก็ทำให้ความลำบากยากเย็นของเขาบรรเทาลงเราก็เกิดความสุขใจภูมิใจในตัวเราขึ้นมาอันนีเรื่องของการเสียสละแบ่งปันที่เรียกว่าทานทำทานด้วยเงินทองทำทานด้วยกำลังกายด้วยเวลาที่เรามีว่างอยู่หรือทาทานด้วยการให้ความรู้แก่ผู้อื่น ถ้าเรามีความรู้อาจจะไปสอนพิเศษให้กับเด็กก็ได้เด็กนักเรียนที่อยากจะเรียนเก่งๆแต่อาจจะไม่มีทุนไปเรียนพิเศษเราก็สอนพิเศษให้กับเขาไม่ต้องเก็บเงินเก็บทองไม่ต้องคิดเงินคิดทองเด็กก็จะได้มีความรู้เพิ่มเติมเวลาไปสอบใบแข่งขันก็จะได้คะแนนดีอันนี้ก็เป็นการทาบุญเหมือนกันอันนี้ เรื่องของการหาความสุขทางใจนี้หาได้เยอะแยะไปหมดถ้าเราโกรธใครเราให้อภัยเขาได้ครนี้ก็เป็นการทําบุญ อ, อย่างเงี่ยเวลาเราโกรธใครนี่ใจร้อนขึ้นมาเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาพอเราให้อภัยเขาได้เ้็อย่าไปเอาเรื่องเอร า, าวกันเลยต่างคนต่างอยู่ดีกว่าแยกกันอยู่แยกกันไปใจเราก็เย็นลงมาสบายถ้าคิดอาฆาตพยาบาท อยากต้องล้างแค้นนี่โอ้กินไม่ได้นอนไม่หลับต้องขอยวางแผนเราจะทำยังไงดีถึงจะทำให้เข า, เ, าเจ็บช้อขึ้นมาแล้วพอไปล้างแค้นเขาเขาก็มาโกรธเราอีกเขาก็จะมาตามล้างแค้นเราอีกทีนี้เราก็กินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะไม่รู้ว่าเขาจะมาทำร้ายเราอีกเมื่อไหร่แต่ถ้าเราให้อาภายัยเขายุติลง เขาก็ไม่มายุ่งกับเราเราก็ไม่ยุ่งกับเขาต่างคนก็ต่างอยู่กันไปก็สบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลอันนี้ก็เป็นการทำบุญอีกงอย่างทานมีอยู่สี่ชนิดทานด้วยการให้ข้าวของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานทานที่ใหว้วิชาความรู้ก็วิทยาทานทานที่ให การให้อภัยก็เรียกว่าภัยฐานแล้วมีอีกอารก็คือธรรมทานคือให้ธรรมะดังเรามีธรรมะเรารู้ธรรมะที่เราเห็นมีคุณค่ามีคุณประโยชน์เราใช้ได้ผลดีเช่น ทําบุญทําทานแล้วเห็นคนที่ไม่ทําบุญทําทานเวลาเขาไม่สบายใจก็บอกเขาลองไปทําบุญดูสิทําบุญแล้วจะสบายใจเลยเวลาเขาโกรธใครก็บอกให้อภัยเขาไปดูสิแล้วดูว่าจะสบายใจไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ธรรมะการให้ทั้งสี่ชนิดนี้ท่านว่าการให้ธรรมะนี่ชนะการให้ทั้งปวงเพราะอะไรวะ เพราะว่าการให้ธรรมะนี้มาดับความทุกข์ใจได้แต่ให้อย่างอื่นนี้เป็นการดับความทุกข์ทางร่างกายให้เข้าของเงินทองเขาจะได้ไปซื้ออาหารซื้อสิ่งที่เขาเดือดร้อนทางร่างกายมาบรรเทาทุกข์ได้ให้ความรู้เขาจะได้มีวิชาความรู้ไปทรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้มีให้ธรรมะนี่แหละหรือให้อภัยทาน ให้อภัยทานนี้ก็เหมือนกับให้ธรรมะให้ความเมตตาเพราะว่าเราไม่ได้ให้เงินทองเขาเนี่ยเราเพียงแต่ให้อภัยเขาค่ะเขาทําร้ายเราเขาทําให้เราเสียหายเสียใจแต่เราก็ยกโทษให้เขาไปไม่มีไม่ไปมีเรื่องมีราวกับเขาไม่ไปอาฆาตพยาบาทไม่คิดล้างแค้นใจเราก็สงบขึ้นมาการให้อภัยทานก็เป็นการให้ธรรมะอย่างหนึ่งเนี่ย หรือถ้าเรามาฟังเทศฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะแ ร, รู้สึกก็มีคุณค่าทำให้เรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเมื่อเราอ่านเสร็จแล้วเราไม่จำเป็นจะต้องเก็บเอาไว้ก็เอาไปแจกให้คนอื่นต่อไปก็ได้อันนี้ก็เป็นการทำทำทาน ท, ทาธรรมทานเหมือนกันหรือถ้าเรามีกำลังทรัพย์ก็อยากจะทิม หลายๆเล่มเพื่อจะได้แจกใจ่ายให้คนหลายๆคนเพราะเห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อจิตใจเราก็ไปร่วมกันพิมพ์หนังสือทำมาแจกก็ไดอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของการทําบุญเป็นการสร้างความสุขทางใจในระดับของการทําบุญทําทานอันนี้เป็นระดับต้นเป็นระดับที่พวกเราส่วนใหญ่สามารถทํากันได้ เพียงแต่ต้องเอาชนะความตนันนิความหวงให้ได้บางคนก็บอกต้องเก็บไว้เดี๋ยววันข้างหน้าแก่เจ็บตายเดี๋ยวต้องอาศัยเงินทองจะเก็บก็เก็บไว้ได้ก็ให้มันรู้คนรจะเก็บไว้เท่าไหร่ก็แบ่งเก็บไว้ได้เพราะวันข้างหน้าเราก็ไม่แน่นอนว่าเราจะต้องใช้เงินทองมากน้อยเท่าไหร่เราก็คิดเผื่อไว้แต่ถ้าถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ เอามาทำบุญทำทานดูสิจะได้มีความสุขเพราะเงินที่เก็บไว้มันไม่มีความสุขนะแล้วก็เกิด <c oughs> เวลาเก็บไว้มากเกินไปแล้วเกิดเราคิดว่าเราจะอยู่ถึงแปดสิบแต่ดีไม่ดีเกิดอุบัติเหตุตายตั้งแต่หกสิบนี่มันก็เก็บไว้แล้วก็สูญเปล่าไป เราต้องใช้ความคิดแบบนี้มาแก้ความตนันีเพราะเวลาเราจะทาบุญนี่หมามันจะเสียดายขึ้นมาทันทีแต่เวลาไปเที่ยวไม่เสียดายเวลาไปซื้อกระเป๋ารองเท้าไม่เสียดายแต่พอไปทำบุญมันจะเสียดายเราก็ต้องหามาตรการมาแก้ความตนันนิคิดว่าเงินทองนี้เก็บไว้เฉยๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้เอามาใช้ ให้มันเป็นประโยชน์ทั้งกับผู้อื่นกับเราดีกว่าการทำบุญนี้เป็นประโยชน์ทั้งกับเราและกับผู้อื่นผู้อื่นเขาก็จะได้รับบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็จะได้ความสุขใจในปัจจุบันและเวลาตายไปเราก็จะมีทรัพย์ภายในติดตัวไปจะทำให้ดวงวิญญาณของเราเป็นดวงวิญญาณที่เป็นมีความสุข ดวงวิญญาณที่มีความสุขเราก็เรียกว่าเทวดาถ้าไม่มีทรัพย์ภายในติดตัวไปก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยเป็นขอทานก็จะไม่มีความสุขก็จะเป็นดวงวิญญาณของเปรตอันนี้เป็นเป็นการแก้อุปสรรคในการที่จะมาขัดขวางในการทำบุญทำทานของเราให้เรานึกถึงว่าชีวิตของเรานี้ไม่แน่นอน วันวันตายของเรานี้ไม่มีใครจะไปกำหนดได้อาจจะตายวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้หรืออาจจะตายอีกสิบปียี่สิบปีก็ได้แต่เรื่องที่แน่นอนก็คือต้องตา ย, ยาแน่นอนแล้วพอตายไปแล้วเงินข้าของเงินทองที่มีอยู่นี้ไม่เป็นประโยชน์กับคนตายเลยคนตายเอาอะไรไปไม่ได้เลยถึงแม้จะเขียนพินัยกรรมไว้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นการให้ต้องให้ตอนที่ยังไม่ตาย เพียงแต่เขียนนี้เป็นเพียงเขียนเจตนาเท่านั้นเองเจตนาว่าตายแล้วให้คนนั้นคนนี้ไปแต่ตอนอยู่นี่ยังไม่ยอมให้เพราะยังเสียดายอยู่ยังกลัวยังหวงอยู่ยังห่วงอยู่เอใจก็ยังไม่ได้รับคุณประโยชน์จากการให้จากการเขียนพิ น, นัยกรรมแต่ถ้าให้ตอนที่มีชีวิตอยู่ดูสจะรู้สึกเบา อ, อกเบาใจสุขใจขึ้นมาทันทีเออ นี่คือเรื่องของการทำบุญให้คิดเสียว่ามันมีประโยชน์เฉพาะตอนที่เราอยู่และมีประโยชน์เฉพาะกับร่างกายของเราเท่านั้นนะคือให้มีปัจจัยสีมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนึ่งห่มที่พอเพียงก็พอแล้วถ้ามีเงินเหลือเก็บไว้เฉยๆก็จะเป็นภาละ ต้องคอยกังวลต้องคอยห่วงคอยห่วงคอยดูแลรักษาแต่ถ้าเอาไปทำบุญได้นี่กลับจะทำให้มีความสุขทางใจเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าเรามีความสุขทางร่างกายครบแล้วนี่มันเต็มร้อยแล้วถึงแม้จะมีเงินทองกี่ร้อยล้านมันก็ไม่ได้ทำให้ความสุขทางร่างกายเพิ่มขึ้นมาอีกถ้าอยากจะเพิ่มความสุขต้องไปเพิ่มทางใจ เหมือนเรามีตุ่มน้าอยู่สองตุ่มตุ่มเล็กกับตุ่มใหญ่ตุ่มเล็กก็คือร่างกายตุ่มใหญ่ก็คือใจพอเราเติมตุ่มเล็กคือร่างกายเต็มแล้วเราก็ต้องถ้าอยากจะเติมให้มีน้ำเพิ่มขึ้นเราก็ต้องเอาไปเติมที่ตุ่มใหญ่สาเหตุที่เราต้องเติมตุ่มเล็กก่อนเพราะเราถ้าตุ่มเล็กมันไม่เต็มมันจะทำให้มีปัญหาได้ถ้าร่างกายเราขาดปัจจัยสี่มันจะทาให้ร่างกายเรามีปัญหาได้ เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือว่าตายก่อนไวัยได้เราจึงต้องคอยเติมน้ําตุ่มเล็กให้เต็มก่อนเราก็จะมีความสุขของตุ่มได้จากตุ่มตุ่มน้ําตุ่มเล็กเราได้ความสุขเต็มร้อยจากจากตุ่มเล็ก แต่ถ้าเราต้องการให้มีความสุขมากขึ้นอย่าไปเติมที่ตุ่มเล็เติมเท่าไาหาร่มันก็เท่าเดิมไปกิน อ, อาหารแพงขึ้นมันก็เท่าเดิมไปซื้อเสื้อผ้าแพงขึ้นมันก็เท่าเดิมไปซื้อบ้านราคาแพงขึ้นความสุขที่ได้จากร่างกายมันก็เท่าเดิมถ้าเราอยากจะเพิ่มความสุขเราต้องมาเพิ่มที่ใจทำเางินที่เราเหนือจากการที่เราใช้จากการเลี้ยงดูร่างกายนี้เอามา ทำบุญทำทาน owed. แล้วเราจะได้มีความสุขเพราะเราได้เติมน้ําตุ่มใหญ่ตุมเราจะได้มีน้ํามากขึ้นไงถ้าเราเติมในตุม่มเล็กเราก็จะได้น้ําเท่าเดิมความสุขเท่าเดิมแต่ถ้าเรามีตุ่มใหญ่แล้วเราไม่เติมไปในตุ่มใหญ่เราก็โง่ใช่ไหมโมแต่ไปเติมตุ่มเล็กทำไมเติมเท่าไร ม, มันก็ล้นออกมาเติมเท่าไหร่มันก็ได้เท่าเดิมแต่ถ้าเติมเข้าไปในตุ่มใหญ่นี้เราก็จะได้มีน้ําเพิ่ม น้ำก็คือความสุขของเราเราก็จะนี้มีความสุขเพิ่มขึ้นสุขกายแล้วทีนี้ก็มาสุขใจต่ออีกทีหนึ่งถ้ามัวแต่ทุ่มไปที่ร่างกายมันก็สุขกายเท่าเดิม น, นี่คือ <c oughs> เรื่องวิธีของการที่จะทําให้เราคลายความตเนี่ยคลายความหวงในเงินทองได้ให้เราเล็งถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทําบุญทําทาน คนที่ตันนีส่วนใหญ่เพราะว่าไม่ได้ยินได้ฟังทมกันไม่รู้เรื่องของจิตใจไม่รู้เรื่องของตัวเองว่าตัวเองนี่ไม่ได้เป็นร่างกายตัวเองเป็นจิตใจตัวเองเป็นจิตใจที่จะมีความสุขได้ก็เกิดจากการทำบุญทาทานนี่อลยไม่เข้าใจหลักการของการทาบุญทาทานก็เลยหวงไม่อยากจะทำบุญทาทานเสียดายเงินเสียดายทองไป แต่ไม่อู้ว่าการทําบุญทําทานนี้เป็นการเพิ่มความสุขให้มีมากขึ้นจากความสุขของร่างกายแล้วก็จะได้มีความสุขเพิ่มขึ้นทางใจต่อไปแล้วตายไปก็จะเป็นสเสบียงที่เอาติดตัวไปกับใจได้ไปอยู่ในโลกที่ไปอยู่แบบเทวดาไม่ต้องไปอยู่แบบขอทานนทําไมพวกเราต้องคอยกวดน้ํากันเพราะเราห่วง ญาติพี่น้องที่ตายไปว่าเขามีบุญติดตัวไปกันหรือเปล่า เ, ออเราก็เลยทำบุญแล้วก็แบ่งบุญไปให้เขาบ้างเผื่อถ้าเกิดเขารออยู่เขาก็จะได้รับการบรรเทาเออความทุกข์ยากเดือดร้อนของเขาได้ออนี่คือการแก้ปัญหาอุปสรรคในการที่จะมาคอยขวางในการทำบุญทำทานของเราเออให้เราใช้ ความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสโลนี่มาสอนใจให้เรารู้ว่าการทาบุญนี่มันมีประโยชน์ประโยชน์ทั้งในขณะที่เราอยู่เวลาทาบุญนี้มากๆเนี่ยจะมีคนรักเรามากมีคนรักคนชอบเราจะไม่มีใครเกลียดเราเราจะมีความสุขทั้งขณะที่ตื่นและขณะที่หลับนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายจะไม่มีใครคิดปองร้ายเราด้วยอาวุธหรือ ย, ยาผิษ จะไม่จะมีเทวดาคุ้มครองรักษาจะมีผิวพรรณหน้าตาผ่องใสเบิกบานถ้าไปฝึกสมาธิหาความสุขจากความสงบก็จิตก็จะสงบง่ายถ้าตายไปก็จะไปสู่สุคติ นี่คืออ น, นิสงค์ของการทำบุญประโยชน์ที่จะได้ไม่ได้มีการสูญเสียไม่ใช่เป็นเงินทิ้งเปล่าเป็นประโยชน์ที่เราต้องศึกษาเราถึงจะรู้ถึงจะเห็นถึงจะเข้าใจถ้าไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาคำสั่งคำสอนนี่ก็จะไปเข้าใจผิดคิดว่าทำบุญเพื่อให้รวยกันมากกว่าคิดว่าทำบุญแล้วเดี๋ยววันนี้ลอตอรี่ออกเดี๋ยวต้องถูกข้อตอรี่กัน ออันนี้ก็เป็นเป็นความงมงายอันนี้ไม่ใช่เป็นอ น, นิสงค์ของบุญจะรวยก็ต้องรวยในพบต่อไปไม่ใช่พบนี้หรืออย่างน้อยก็ต้องรออนาคตไม่ใช่ทําบุญปั๊บแล้วจะได้ผลทันทีจะรวยทันทีที่แน่ๆก็คือจะจนทันทีเพราะเงินหมดเนี่ยถ้าเงินทําเอาเงินไปทําบุญแล้วเงินมันจะมาเพิ่มได้ยังไงในในปัจจุบันมันก็จะมีแต่น้อยลงไปมันไม่มีมากขึ้น รายเงินที่จะได้มากขึ้นนี้ส่วนใหญ่ต้องมาจากพบหน้าชาติหน้าเพราะมันเป็นเหมือนเงินที่เราฝากไว้ในธนาคารพอกลับมาเกิดชาติหน้าเราก็จะได้รวยกว่าเก่าเพราะมีดอกเบีย้ยด้วยและการที่เราจะกลับมาเกิด น, นี่มันไม่รู้อีกกี่ร้อยปีเงินดอกเบีย้ยมันจะสะสมมากขึ้นหลายเท่ามากกว่าต้นหลายเท่าพอกลับมาเกิดก็จะรวยกว่าเก่า ยกตัวอย่างพระเวชสันดรนี่ท่านทาบุญ ท, ทาทานมากมายพอท่านตายไปท่านก็ไปสวรรค์พอลงมาเกิดก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะรวยก็าเก่าเป็นเจ้าชายเมื่อก่อนเป็นพระเวชสันดร น, นี่ไม่ได้เป็นเจ้าชายห ร, หรือเป็นหรือเปล่าเราคิดว่าคงไม่รวยเท่ากับเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอันนี้ก็เป็นเรื่องของหาเหตุจูงใจให้เราทาบุญ หาเหตุที่จะมาคอยกาจัดความตนันหนีความหวงของเงิ น, นข้าวของเงินทองแล้วมันจะทำให้เราได้ทาบุญแล้วเราจะมีความสุขพอเราได้ทาบุญแล้ว เ, เกิดความสุขใจแล้วทีนี้ไม่ต้องไม่ต้องหาเหตุแล้วมันอยากจะทำเองทุกครั้งเวลารู้สึกขาดขาดอะไรไปทาบุญดีกว่าพอไปทาบุญปั๊บโอ้สุขกว่าการไปเที่ยวเยอะแยะอันนี้ก็เป็นวิธีหาความสุขจากการทาบุญ ยังมีการรักษาศีลและการภาวนาอีกก็คงจะต้องรอไว้โอกาสหน้าเพราะคิดว่าสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลัง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 สัพพโรโควินาทสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิตสะนิจจังวุธาปะจายโนยตาโรธรรมาวัฏฐานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหรวันนี้ทางเฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยแปดสิบสองสามร้อยสิบห้าวิทยุออนไลน์ยี่สิบสี่รับฟังข้างบนนี้สี่สิบห้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยหกสิบหกครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรก็เชิญถามได้ ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าต้องการถามก็เข้ามาเลยนรมศาส ก, การค่ะหลวงพ่ออันนี้เป็นคำถามของคนบ้านอำเภอฝากถามมาเจ้าคะ่ะ เ อ, อเขาอยากนั่งสมาธิมากๆแล้วเขาก็ลองนั่งแล้วเขาหลับตาแล้วเขาได้ยินเสียงวีดวีดแล้วเขาก็กลัวเขานั่งไม่ได้เขาก็เลยเ อ, อนั่งอยู่บ้านเฉยๆแต่ไม่หลับตาแล้วก็เขาเล่าให้ฟังว่าเขามองตรงไปแล้วทุกอย่างมันเบาสบายเขาก็เลยอยากจะมาถามหลวงพ่อว่าฝากมาถามหลวงพ่อว่านี่คือสมาธิไม่จชาคะอ่าไม่ใช่แล้วยัง ยังไม่ใช่สมาธิเป็นการนั่งเฉยๆแล้วก็ดูจิตมันเล่นละครให้เราดูอพอมันเล่นอะไรของแปลกๆเราก็กลัวมันเย็นวิธีไม่ใช่เป็นวิธีนั่งที่ถูกวิธีนั่งที่ถูกเราต้องให้จิตทำงานให้มันพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปหรือให้มันดูลมหายใจเข้าออกไปมันจะได้ไม่มาสแสดงอาการแปลกๆมาหลอกเรา แล้วใจของเราจะได้สงบด้วยการนั่งนี้เพื่อให้ใจสงบนิ่งมีความสุขไม่ต้องการให้เห็นอะไรถ้านั่งแบบไม่มีสติมันจะเห็นแล้วมันอาจจะเป็นบ้าได้เพราะจะอาจจะมีอะไรแปลกๆน่ากลัวน่าอะไรขึ้นมาหรือมีอะไรมาหลอกให้เราคิดว่าเราเป็นนูน่นเป็นนี่ขึ้นมาก็ได้งั้นก็อย่านั่งแบบนั้นนั่งแบบนั้นแต่แบบนั่งแบบแบบเขา้าเขา้าทรงเข้าเจ้า พอนั่งปุ๊บเดี๋ยวตัวสั่นเสียงเสริมออกมาเสียงแปลกเสียงเปิดออกมาได้แล้วก็คิดว่าเป็นของวิเศษวิโสไประวังนั่งสมาธินี้ต้องรู้จักวิธีนั่งที่ถูกต้องถึงจะปลอดภัยนั่งให้นั่งหลับตาหลับตาไม่เป็นไรแล้วเพียงแต่ว่าอย่านั่งเฉยๆถ้ายังพุโทโธไม่ได้นั่งสวดมนต์ใบภายในใจก่อนก็ได้สวดอิติปิโสไปหลายๆจบ หลับตาแล้วก็สวดอิติปิโสภักวาอรารหังสัมมาสัมพุทโธพอจบแรกแล้วจบแล้วก็เริ่มจบต่อไปหรือถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยอยากจะหยุดสวดก็ดูลมหายใจแทนก็ได้เปลี่ยนจากการสวดมาดูลมหายใจต้องนั่งทำแบบนี้ถึงใจถึงจะสงบแล้วใจจะมีความสุขถ้านั่งแบบอื่นนี้ไม่รับประกันว่าจะเป็นบ้าได้อาจจะเป็นบ้าได้ เดินนั่งแล้วต่อไปจะไม่กล้านั่งเอห็แม้พอได้ยินเสียงวิวิว ก, ก็กลัวขึ้นมาแล้วเดิวนั่งลืมตาถ้านั่งลืมตาก็ไม่เปิดประโยชน์อะไรเพราะใจมันไม่เข้าข้างในเราต้องการดึงใจให้เข้าข้างในดึงมันออกจากภาพที่เราเห็นที่ตาด้วยการปิดตาหูเราก็ไม่ไปสนใจกับเสียงที่เราได้ยินเอให้มันอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปแล้วอยู่กับลมหายใจไป หรือถ้ายัางทำไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์ไปไม่ต้องออกเสียงเหมือนกับพุทโธแต่ไม่ต้องออกเสียงไม่ต้องสวดออกเสียงจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านเขาแล้วก็จะไม่เหนื่อยด้วยถ้าสวดไปภายในใจเจ้าค่ะเพราะวันนี้เดี๋ยวขคงฟังคาถามแล้วเราจะค่ะ ค, ค่ะลองไปทำดูไม่มีอันตรายไม่มีอะไรน่ากลัวถ้าเรามีสติ ถ้าเรานั่งเฉยๆแบบไม่มีสติดเดี๋ยวมันมีอะไรน่ากลัวผล่ขึ้นมาเยอะเขาเขาถามหนูเหมือนกันหนูบอกหนูขอไม่ตอบเพราะว่าหนูก็ไม่ได้เก่งเดี๋ยวมาถามหลวงพ่อแล้วให้ติดตามธรรมะบนเขาวันนี้เพราะหนูบอกเขาว่าเดี๋ยวหนูวันนี้จะขึ้นมาแล้วเขาจะเอาคําถามเขามาถามได้ขอชค่ะมีใครอยากจะถามอีกไหมหนูถามไหมไม่มีนะอ่ามีไหมยังไม่มีเดี๋ยวรอก่อนก็นกไดเ้เอาทางบ้านไปก่อน คำถามจากผู้ฝากถามพี่สาวไปปฏิบัติธรรม ท, ที่ที่แห่งหนึ่งและตัดสินใจอยู่ที่นั่นได้ลาออกจากงานตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วเจ้าคะ่ะมีลูกหนึ่งคนให้พ่อแม่เลี้ยงดูโดยที่ไม่เคยส่งเงินมาช่วยเหลือเลยอยากทราบว่าทําแบบนี้จะได้บุญไหมเจ้าคะ่ะถ้าทําบุญมันก็ต้องได้บุญนีน่ถ้าทาบาปมันก็ได้บาป การไปบวชนี่ก็เป็นการทําบุญฮะการไม่เลี้ยงดูแลลูกก็เป็นการเปลี่ยนเป็นการเลิกทําบุญกับลูกเท่านั้นเองเวลาเลี้ยงลูกก็ถือว่าได้ทําบุญกับลูกพอไม่ได้ทําบุญกับลูกก็ก็จะไม่ได้บุญจากการเลี้ยงลูกแตา่ไม่บาปเพราะว่าไม่ได้ไปทําให้ลูกเสียหาย ถ้ามีคนอื่นถ้าฝากให้คนอื่นดูแลได้เลี้ยงดูได้ก็ทําได้เพราะพุทธเจ้าก็ทิ้งลูกไปเหมือนกันทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงดูทิ้งให้ภรรยาเลี้ยงดูทิ้งให้พ่อเลี้ยงดูอันนี้ก็ไม่ไม่เสียหายตรงไหนคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามหนูเป็นโรคซึมเศร้าและอารมณ์สองขั้วมีปมตั้งแต่เด็กและชีวิตนี้ เหมือนมีแต่ความทุกข์พยายามฆ่าตัวตายมาหลายต่อหลายครั้งทำอย่างไรถึงจะหลุดพ้นจากความทรมานแบบนี้ไปได้คะหนูก็ต้องมาฝึกทำสมาธินี่แหละฝึกสติคอยควบคุมความคิดเนี่ยอย่าให้คิดเนอะเพราะความคิดนี่มันจะคิดให้เราไปเกิดความอยากต่างๆที่มันไม่สามารถตอบสนองเราได้เพราเราไม่ได้ สิ่งที่เราอยากได้เราก็จะเกิดอาการเสียใจเสืมเศร้าขึ้นมาเอาน็นต้องคอยควบคุมความคิดหัดเจริญสติหัดท่องพุโทโธพุโทโธไปภายในใจลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปทำอะไรทำงานที่ไม่ต้องใช้ความคิดกวาบ้านถูบ้านก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้คิด แล้วพอความคิดต่างๆเบาบางลงความรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงาความรู้สึกซึมเศร้ามันจะคลายมันจะรู้สึกเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วต่อไปมันจะรู้สึกว่างเบาเย็นสบายพยายามสร้างสติขึ้นมาให้ได้ยังไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ถ้ายังนั่งไม่ได้ก็สร้างสติขึ้นมาก่อนมันพุทธโธพุทธโธไปอยู่เรื่อย เบื่อพุทโธจะเปลี่ยนเป็นสวดมนต์ใบบ้างก็ได้อิทิปิโสถ้ามีสติสตังพอจะฟังเทศฟังธรรมได้ก็ฟังเทศฟังธรรมไปให้ใจอยู่กับสติอยู่กับปัญญาฟังธรรมก็จะได้ปัญญาได้ความรู้เวลาไม่ได้ฟังธรรมก็ให้ใช้พุทโธใช้การสวดมนต์หรือถ้าใจมันไม่คิดอะไรใจมันไม่ มันไม่ซึมเศร้ามันเบามันสบายก็ให้รู้เฉยเฉยไปก็ได้ไม่ต้องสวดไม่ต้องพุโทโธก็ได้ขลามันเริ่มคิดแล้วค่อยหยุดมันถ้ามันไม่คิดก็ไม่ต้องไปทำอะไรคำถามต่อไปจากคุณอดีตไม่สำคัญผมได้ฟังคำสอนท่านพระอาจารย์สอนว่า จะแผ่เมตตาต้องให้แผ่ต่อหน้าคนที่อยากแผ่ให้ถึงจะได้ผลในสมัยพระพุทธการมีพระไปอยู่ป่าแล้วเจอพบภูมิอื่นมารบกวนพระพุทธเจ้าสอนให้แผ่เมตตาด้วยบทกรณียเมตสูตรพระท่านไม่ได้เห็นพบภูมิอื่นทำไมพระพุทธเจ้าให้แผ่เมตตาได้ขอพระอาจารย์ชี้แนะด้วยครับต้องไปถามพระพุทธเจ้าแนละ้วม่นเร า, เร า, เราไม่ดูเราไม่มีปัญญาระดับนั้น เดี๋ยวที่เราพูดเป็ น, ปนแบบลักษณะแบบทั่วไปการที่เราอยู่คนเดียวแล้วเราสวดบทแผ่เมตตามันไม่ได้แผ่มันต้องแผ่เวลาที่เราไปพบปะกันเวลาโกรธใครแล้วเราก็เอาเวลาโหนตุเลยไม่จองเวรจองกรรมกันเออย่างนั้นเรียกแผ่ไม่ไปด่าเขาไม่ไปทุกตีเขาไม่ไปร่างแคน อ, อันนี้เรียกว่าแผ่เมตตาหรือเห็น อยากให้คนอื่นเขามีความสุขมีขนมนมเนยก็เอาไปฝากเขาพอเขาได้ขนมนมเนยจากเราเขาก็ดีใจมีความสุขใจขึ้นมาไม่ใช่เจอเขาก็สวดขอให้มีความสุขเยอะๆนะสุขอะไรสุขแต่ปากนะใครๆก็พูดได้ขอให้มีความสุขเยอะๆ ฉะนั้นกวต้องในพูดถึงในกรณีทั่วไปส่วนในกรณีที่ไปอยู่ในป่าในเขาแล้วไปเจอพูดผีปีศาจเนี่แล้วก็ให้สวดกรณีเมตตาสย์อันนี้ก็ไม่ไม่ใช่ว่าประมาทนะแต่การจดจำมานี้อาจจะอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่พระเจ้าสอนก็ได้พระเจ้า ถ้าตามหลักความจริงพุทเจ้าก็ต้องสอนว่าต้องแผ่เมตตาให้กับดวงวิ ญ, ญญาณที่มันมาหาเราเนี่ยแหละคือถ้าเราติดต่อกับเขาได้เราก็เหมือนกับเจอคนธรรมดาทั่วไปนี้แล้วก็ถามสารทุกข์สุขดิบเขาว่าเป็นยังไงไม่สบายหรือเปล่ามีอะไรเดือดร้อนอย่างมีแม่ชีที่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็มีพลังจิตท่านเวลานั่งสมาธิท่านมักจะมีดวงวิญ ญ, ญาณเข้ามาหาท่านล้วก็มาเล่า ความทุกข์ต่างๆให้ฟังมาปรับทุกข์เมธีก็สอนธรรมะให้เขาไปนี่ก็เป็นการให้เมตตาด้วยความเมตตาให้ธรรมะให้ธรรมทานเพื่อเอาธรรมะไปบรรเทาความทุกข์ใจให้หายไปอันนี้ก็ต้องทำแบบนี้ไม่ใช่พอเจอเจอดวงวิญญาณมาขอปรับความทุกข์ก็สวดกรณเนีเมตตาเมตตาไปแ้วถ้าเกิดสวดไม่เป็นจะทำยังไงอ่ะใช่ไม มันไม่ใช่เราคิดว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่ามันเป็นการการใช้คำว่าให้แผ่เมตตาในแบบที่ในกรณีเมตตาาสูดแสดงไว้เท่านั้นเองนะไม่ใช่ไปสวดให้กับเขาฟังต้องให้ความรู้กับเขาให้เขาเกิดความรู้สึกเบาอกเบาใจสบายอกสบายใจขึ้นมาคำถามต่อไปจากคุณแพทย ผู้เป็นแม่ปฏิบัติภาวนาทุกวันศรัทธาเต็มกำลังแต่ลูกไม่เชื่อไม่ศรัทธาเลยชวนไปวัดก็ไม่ไปเจ้าคะ่ะอยากช่วยลูกจะทำอย่างไรได้บ้างเจ้าคะ่ะถ้าช่วยแล้วเขาไม่เขาไม่รับความช่วยเหลือก็ไม่รู้จะทำยังไงนะเราช่วยแล้วเมื่อเราช่วยเขาแล้วชวนเขาแล้วเขาไม่ยินดีก็ถือว่าจบนะ คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามถ้าเราได้ทำผิดในกรณีที่เราฝันอยู่จะส่งผลอะไรไหมครับเพราะบางอย่างเหมือนเป็นความต้องการจากกิเลสของเราจริงๆครับถ้านเป็นถ้าอยู่ในความฝันก็ถือว่าเป็นเป็นวิบากเป็นผลของบาปที่เราทำ ม, มันปรากฏขึ้นมาให้เรารู้ว่าใจของเรานี่ยังมีมีความสำนึกมีความอยากทำบาปอยู่ งั้นเวลาเราตื่นขึ้นมาเราต้องพยายามเตือนสติว่าอย่าทำบาปตามที่เราฝันแล้วเราก็ต่อไปถ้าเราไม่ทำได้ต่อไปฝันที่ทำบาปมันก็จะหายไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเวลาที่หนูมีปัญหาอะไรก็จะมาใส่อารมณ์กับแฟนตลอดทั้งที่แฟนก็ไม่ได้ผิดอะไร มีแต่เขาคอยบอกว่าให้หนูฟังทำสวดมนต์นั่งสมาธิแต่พอหนูเครียดหงุดหงิดก็ใส่อารมณ์กับเขาหนูควรจะปฏิบัติกับเขาอย่างไรดีเจ้าคะาก็อย่าไปทำที่หนูทำเลยถ้าหนูรู้ว่าทำแล้วไม่ดีหนูก็อย่าไปทำมันเท่านั้นเองถ้ามีอารมณ์ก็ใส่ตัวเองเลยถ้าไม่ไปใส่คนอื่นทำไมด่าคนอื่นทำไมด่าตัวเองเดียมึงไม่ดีเองไปด่าเขาทําไมใช่ไหม คำถามต่อไปจากคุณลีตอนนี้น้องชายผมชอบโดดเรียนและไม่ชอบไปโรงเรียนก็ผมต้องดําเนินการอย่างไรครับก็เป็นเรื่องของเขาไงถ้าเราสอนเขาได้เขาเชื่อฟังเราก็สอนไปถ้าสอนเขาแล้วเขาไม่เชื่อฟังเราเขาโกรธเราเราก็หยุดสอนก็ เ, เท่านั้นเองเราไปเรียนแทนเขาไม่ได้เลย ท่าเรเรียนแทนเขาได้ก็ไปเรียนแทนเขาก็ได้บอกพี่ไปเรียนแทนให้เอาแม่น้องน้องไปเที่ยวน้องพี่จะไปโรงเรียนให้ถ้าน้องบอกโอเคเอก็ไปก็แล้วกันดูเถิดที่โรงเรียนเขาจะให้ให้ไปเรียนแทนกันได้เปล่าคำถามต่อไปจากคุณหญิงนั่งสมาธิพอจิตหยุดคิดแล้วต้องทำอย่างไรต่อเจ้าคะ่ะก็ให้มันหยุดคิดนาน มันหยุด ค, คิดเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเพราะความคิดนี้มันเป็นพิษเป็นภัยมากกว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์พยายามฝึกหัดหยุดคิดแล้วก็ให้มันหยุดคิดนานๆวันทั้งวันถ้าไม่คิดอะไรได้นี้ใจจะเบา ใ, ใจจะสุขที่เราหนัก อ, อกหนักใจมันไม่ได้มาจากไหนแล้วมันมาจากความคิดของเราเนะคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ก็หนักอกหนักใจขึ้นมาพอเราหยุดคิดได้จาวแล้วก็เบาใจเราก็เย็นพยายามหยุดคิดให้มันไปนานๆ หยุดคิดได้ตลอดเวลาได้ยิ่งดีคำถามต่อไปจากคุณพิตามีแม่เข้าไวยชราแต่มีพี่ชายคอยช่วยดูแลครับอยากไปบวชปฏิบัติธรรมให้เต็มที่แต่ถ้าเราไปบวชโดยไม่ได้ดูแลแม่ช่วงบั้นปลายชีวิตจะเป็นบาปไหมครับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องไหมครับก็คุยกับคนที่เกี่ยวข้องดูว่า เขาดูแลแม่ได้ไหมไหวไหมถ้าเราไปบวชถ้าเขาบอกไปเถิดไม่เป็นไรไปได้เราก็ไปการไม่ได้ดูแลแม่ก็ไม่ไหนมาคำว่าเป็นอากตันอยู่แต่อย่างใดถ้าเราเห็นว่าแม่ก็มีผู้ที่ดูแลได้อย่างสมบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องอย่างไรเราก็ไป ไปบวชได้แล้วอาจจะมาดูแลแม่ในอีกรูปแบบแบบพระพุทธเจ้าก็ได้เกิดแบบเราไปบวชเราไปปฏิบัติบรรลุธรรมขึ้นมาแบบเวลาแม่ตายเราอาจจะไปสอนแม่ในสวรรค์ก็ได้ไปแบบสอนธรรมะแบบพระพุทธเจ้าสอนแม่ในสวรรค์พระพุทธเจ้าก็ไม่มีโอกาสตอบแทนบุญคุณแม่เพราะแม่ตายไปหลังจากที่คลอดลูกออกมาเจดวัน แต่พอพระพุทธเจ้าตัดสรุมมีพลังจิตสามารถติดต่อกับเทวดาได้พระพุทธเจ้าก็ค้นหาแม่ดวงวิญญาณของแม่พอเจอก็สอนธรรมะให้หนึ่งเดือนให้หนึ่งพันษาเนี่ยจนบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอันนี้กลับได้ประโยชน์มากกว่าเลี้ยงเลี้ยงดูร่างกายของแม่พะเลี้ยงดูยังไงเดี๋ยวร่างกายของแม่ก็ต้องตายไป แต่นี่เรามาเลี้ยงดูจิตใจของแม่ดีกว่าช่วยให้แม่หลุดพ้นจากกบายช่วยให้แม่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าการมาเลี้ยงดูล่างกายของแม่แต่สมมติว่าถ้าไม่มีใครเลี้ยงดูล่างกายของแม่เลยเราก็คงจะต้องเลี้ยงดูล่างกายของแม่ไปแล้วอาจจะปฏิบัติแบบคารวะผู้คองเรือนไปก่อนจนกว่าพระละทง เลี้ยงดูแม่หมดไปแล้วค่อยไปบวชต่อไปนแต่ถ้ามีพี่ชายเขารับเลี้ยงดูอยู่เราก็ถ้าพี่ขออนุญาต จ, จากพี่ชายพี่ชายเขาเห็นชอบให้ไปเ้าไปเอไม่ต้องกังวลเพราะอยู่สองคนเลี้ยงดูสองคนเลี้ยงดูคนเดียวมันก็ได้ผลเท่ากันก็เลี้ยงดูได้เหมือนกันให้แม่กินข้าวได้เหมือนกันป้อนแม่ด้วยคนสองคนป้อนกับคนหนึ่งป้อนมันก็มันก็ป้อน มันก็จะป้อนได้เท่ากันะะฉนั้นก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องยึดรูปแบบว่าจะต้องมาคอยเลี้ยงดูแม่ในายามแก่แมเราไปเลี้ยงดูแม่ในายามที่แม่ตายไปแล้วก็ได้ตอนนั้นอาจจะไม่มีใครทําได้แล้วอาจจะเป็นคนมีความสามารถทําได้ก็ได้คําถามต่อไปจากคุณชุตติมา <c oughs> จิตที่เบาสบายไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่าน หรือมีก็น้อยมากนี่คือตัวอวิชชาหรือเปล่าเจ้าคะให้ดูไม่ต้องยึดติดไม่จิตที่เบาสบายเรียกว่าจิตที่สงบโดยอวิชชานี้มันมีตลอดเวลาทั้งสงบและไม่สงบวิธีที่จะแก้อวิชชาไม่ได้แก้ด้วยการดูดูไปว่าจิตที่สงบนี้เป็นอวิชชาไม่ใช่ ตอนที่จิตสงบอวิชามันไม่ทำงานมันมันหยุดทำงานมันจะทำงานก็ตอนที่เราโลภเวลาที่เราโกรดนั่นแหละเนเวลาที่อวิชชาสั่งการสั่งให้เราไปโลภสั่งให้เราไปโกรธตอนนั้นน่ะเราถึงต้องมากำจัดมันด้วยการหยุดความโลภหยุดความโกรธ ด, ด้วยวิปัสสนาด้วยปัญญาซึ่งเราจะต้องพัฒนาอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่เราได้ขั้นสมาธิแล้วเราถึงจะขึ้นไป พัฒนาขั้นวิปัตนาให้เกิดปัญญาให้เห็นว่าสิ่งที่อวิชชาคิดว่าเป็นสุขนี้มันเป็นทุกข์อวิชชาคิดว่ามันเป็นนิจจังให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังอวิชชาเห็นว่ามันเป็นอัตตาเป็นของเราให้เห็นว่าเป็นอนัตตาอวิชชาคือความเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงข้ามกับความเป็นจริง อวิชชาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นนิจจังสุขขงังอัตตามีอะไรได้อะไรมาแล้วจะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดอันนี้เป็นความเห็นผิด เพราะความเป็นจริงแล้วได้อะไรมามันอาจจะให้ความสุขเราชั่วประเดียวประดาวเดี๋ยวไม่นานมันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาเพราะมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยมไม่ถาวร ม, มันเสื่อมได้มันเปลี่ยนได้มันไม่ได้เป็นของเราวันหนึ่งมันจะต้องจากเราไปนี่คือปัญญาที่จะมาแก้อวิชชาไม่ใช่เป็นการที่จะมาบอกว่าตอนนี้จิตสงบแล้วนี่คืออวิชชาไม่ใช่ อันนี้เป็นความเข้าใจผิดความสงบมันเป็นความสงบแต่เรื่องอวิชามันมีอยู่ทั้งขณะที่สงบแล้วไม่สงบถ้าต้องการกาจัดอวิชาต้องกาจัดด้วยปัญญาทุกครั้งที่เกิดความโลภนี้แสดงอวิชากำลังแสดงตัวแล้วก็ต้องเอาปัญญามาแก้อวิชาว่าสิ่งที่อวิชาว่าดีไม่ดีนะสิ่งที่ว่าสุขมันไม่สุขเนะเพราะมันไม่เที่ยง สิ่งแล้วมันจะไม่เป็นของเราอยู่กับเราเป็นตลอดอต้องใช้อ น, นิจังทุกขังอนัตตาถึงจะมาแก้อวิชชาได้คำถามต่อไปจากคุณเชอรี่สวรรค์กับอบายแบ่งศาสนาหรือไม่ครับอ๋อไม่แบ่งหรอกเป็นเรื่องของธรรมชาติของจิตที่เมื่อทำบุญแล้วก็จะได้ได้ความสุขก็เรียกว่าสวรรค์ทำบาปก็จะได้ความทุกข์ก็เรียกว่าอบาย คำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการเกิดเป็นเพศที่สามเกิดจากการทำผิดศีลข้อที่สามในอดีตชาติหรือไม่ครับไม่หรอกมันเกิดจากคิดว่าอาจจะเป็นอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่าใจเป็นผู้หญิงแต่ไปได้ร่างกายของผู้ชายใช่ไหมมันเป็นเรื่องเราคิดว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุทางธรรมชาติมากกว่า ใจเป็นผู้ชายไปได้ร่างกายของผู้หญิงก็มีเนี่ยมันบางทาีธรรมชาติมันอาจจะไม่ไม่ลงตัวทุกครั้งไปอย่างนั้นแบบแก้ปัญหาได้ง่ายคือเราชอบผู้หญิงก็ชอบไปเถอะร่างกายจะเป็นผู้ชายก็เรื่องของร่างกายไปไม่เห็นจะเป็นปัญหาตรงไหนถ้าผู้หญิงก็ชอบเราเราก็ชอบเขาได้ถ้าเราชอบผู้หญิง ถ้าเราชอบผู้ชายเราก็ชอบผู้ชายไปเทนั้นงแต่ถ้าทางที่ดีอย่าไปชอบจะดีกว่าไปบวช ด, ดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหาเพราะชอบหญิงหรือชอบชายมันก็เจอปัญหาเดียวกันก็เจอความทุกข์เหมือนกันเจอความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของคู่คร อ, องของเราเดี๋ยวก็รักเราเดี๋ยวก็เกลียดเราเดี๋ยวก็ชอบเราเดี๋ยวก็เบื่อเราได้ ถ้านไม่อยากจะเจอปัญหาก็หัดอยู่คนเดียวกีก็แล้วเรื่องของการทางเพศก็ไม่มีปัญหาเลยเรื่องของการทําผิดศีลก็สามนี้มันจะพายเราไปเกิดเป็นเดรัจฉานกันไม่ใช่อะไรหรอกคนที่ประพฤติผิดประเวณีก็เหมือนกับหมานี่เองเห็นหมาเดินเกนะ้าวไหมมันไม่ไปสู่ขอกันก่อนแล้วมันเจอกันที่ไหนมันก็ขี่กันเลยเอ พวกที่แต่งงานพวกที่ไปน่วมหลับนอนกันโดยไม่แต่งงานเป็นคู่ครองกันเนี่ยถือว่าเป็นพวกเดรัจฉานถ้าทามนุษย์ประเพณีของมนุษย์ก็คือต้องมีการสู่ขอมีการรับรู้ระหว่างครอบครัวระหว่างเพื่อนฝูงว่านี่เป็นคู่ครองกันเป็นสมบัติของกันและการคนอื่นห้ามมายุ่งเกี่ยวด้วยเมื่อคืนนี้มีพระเขาส่งคำถามเมมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขา เขาจะบอกว่าเขาจะไปสวิงกิ้งกัน <c oughs> เขาถามว่าผิดศีลข้อสามหรือเปล่า <c oughs> แต่ว่าผิดมันก็เหมือนหมาหมามันก็เปลี่ยนคู่ของมันไปเรื่อยๆวันนี้มันเจอตัวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันเจออีกตัวหนึ่งมันก็มันชอบตัวไหนมันก็เล่นกับตัวนั้นอะเห็นไหมคนเราก็เหมือนกันอยู่กับเมียอยู่กับผัวแล้วเบื่อก็ไปเปลี่ยนคู่ดีกว่าไปสวิงสวิงกิ้งกันหน่อย <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกับหมาดีๆนี่ เขาเรียกทำผิดศีลผิดประเพณีของมนุษย์เนี่ยคำว่าประเพณีการเมสุเมชาเวรามนีก็คือประเพณีของมนุษย์การเสพการแบบมนุษย์กับการเสพการแบบเดรฉานมันไม่เหมือนกันมนุษย์เสพการเพราะว่ามันต้องมีครอบครัวต้องมีความรับผิดชอบต้องเลี้ยงดูกันการมีครอบครัวเพื่อมีเพื่อนคู่ครองที่จะมาช่วยกันดูแลรักษา กันละกันเพราะคนล้มอยู่คนเดียวมันลำบากกว่าอยู่สองคนก็เลยต้องทําร ท, ทการประกาศให้โลกเขารู้เพื่อจะได้ไม่ให้คนอื่นมายุ่งเกี่ยวด้วยถ้าไม่แต่งงานกันบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าคนนี้มีคู่ครองหรือเปล่าก็อาจจะไปยุ่งกันก็ได้ นนี่คือประเพณีของมนุษย์ถ้าอยากจะมีคู่ครองต้องทําให้ถูกประเพณีมีการแต่งงานมีการจดทะเบียนมีอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแต่ถ้าต้องการทําแบบชั่วครั้งชั่วคราวก็แบบสุนัขเนี่ยสุนัขมันก็ทําชั่วครังชั่วขราวแล้วมันไม่รับผิดชอบใช่ไหมพ อ, อตัวเมียตั้งท้องขึ้นมามันเข้ามาดูแลหรือเปล่าเวลาคลอดลูกออกมามันมาเลี้ยงลูกให้เรือเปล่า มันไม่เลี้ยงห่มันก็ไปหาตัวใหม่แล้คคำถามต่อไปจากคุณตุ๊นั่งสมาธิภาวนาแล้วง่วงครับทั้งๆ ท, ที่เราก็นอนพอจะแก้ไขยังไงดีครับความง่วงก็อาจจะเกิดเพราะกินมากเกินไปเนี่ยต้องลดการกินอาหารหลงถ้าถือศีลแปลดได้ก็จะช่วยได้อย่า ก, กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว ้เวลาเย็นๆค่ำๆเวลาภาวนาจะไม่ง่วงคำถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับเวลาภาวนาทําไมจิตจะแทรกออกจากพุทโธมันคล้ายจิตหนึ่งรู้พุทโธอีกจิตเหมือนจะมีอะไรเข้าแทรกมารบกวนครับเพราะจิตมันเคยคิดอยู่เรื่อยๆไงมันไม่เคยหยุดคิดงั้นพอเราใช้พุทโธนี่เราเหมือนกับว่ามามามาแข่งกับมัน่ะ มันเคยคิดอยู่มันก็ยังไม่ยอมหยุดคิดนฉะนั้นช่วงแรกๆนี้มันจะเป็นเหมือนแข่งกันเราพุโทโธไปความที่เคยคิดมันก็จะคิดของมันไปก็ไม่ต้องไปสนใจพยายามให้เราพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปพุโทโธเรามีกําลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะทําให้ความคิดเบาลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเหลือแต่พุโทโธเพียงอย่างเดียวคําถามต่อไปจากคุณฟูการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นจุดเดียวที่เราจะสามารถดับกิเลสพ้นทุกได้ใช่ไหมครับส่วนการเกิดเป็นเทวดาในชั้นต่างๆจะมีโอกาสปฏิบัติธรรมจนหลุดพ้นจากทุกได้ไหมครับการเกิดเป็นเทวดาก็ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าหรือป้าอรหันที่สามารถติดต่อกับเทวดาได้ถึงจะไปฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระอาหารหันได ส่วนการจะปฏิบัติมนุษย์ทำได้หรือไม่ก็เหมือนกับเป็นมนุษย์เนี่ยเหมือนมนุษย์หรือเทวดาจิตก็เป็นเหมือนกันอยู่ที่ว่ามีความเพียรพยายามมีศรัทธาที่จะปฏิบัติตามหรือไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่จำเป็นว่าจะเป็นมนุษย์หรือเทวดามนุษย์จะปฏิบัติได้มากกว่าเทวดาอันนี้ก็ไม่ใช่ อยู่ที่จิตของแต่ละดวงว่ามีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังมาหรือไม่แต่โอกาสที่จะปฏิบัติในโลกมนุษย์นี้มันน่าจะง่ายกว่าเพราะว่ามีถ้ามีพระพุทธศาสนาอยู่ก็จะมีโอกาสได้ศึกษาได้ง่ายกว่ามีครูมีอาจารย์มีพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ที่เราจะสามารถเข้าหาเข้าศึกษาได้ง่ายกว่าการเป็นเทวดานี้ต้องรอให้มีพระอาหารหันต์หรือพระอาาริยเจ้าที่มีพลังจิตเท่านั้นถึงจะสามารถติดต่อกับเทวดาได้แล้วพระอาหารหันต์หรือพระอาาริยทุกรูปนี้ไม่ได้มีพลังจิตทุกองค์พลังจิตที่จะติดต่อกับกายทิพย์นี่กับเทวดานี้เป็นถือว่าเป็น เป็นเป็นธรรมะพิเศษไม่ใช่เป็นธรรมะที่จำเป็นต่อการบรรลุธรรมนะฮะบางองค์ก็มีบางองค์งงก็ไม่มีพระอาหน์บางลูกก็มีมีอภิญยาบางลูกก็ไม่มีถ้าไม่มีอภินยาก็ติดต่อกับเทวดาสอนเทวดาไม่ได้คำถามต่อไปจากคุณจิรพร การที่ฝันถึงคนที่ตายไปแล้วเช่นเพื่อนแม่และญาติที่ตายไปแล้วสามารถไปใส่บาตรและกรวดน้ำเป็นการให้ที่ถูกต้องไหมครับได้แต่ความฝันนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าท่านมาหาเราสเสมอไปมันเป็นได้สองทางท่านอาจจะมาหาเราก็ได้หรือเราคิดถึงท่านไปเองก็ได้เวลาเราคิดถึงท่านเราก็ฝันขึ้นมาในใจก็ได้ หรือเวลาท่านมาหาเราท่านก็เข้ามาในฝันก็ได้เห็นบางทีเราไม่รู้ว่าเป็นอันไหนกันเพื่อความไม่ประมาท ก, ก็ทาบุญไปก็แล้วกันเผื่อเอาไว้เผื่อเข้ามาหาเราจริงๆเราก็อาจจะส่งบุญไปให้เขาได้แต่ถ้าอยากจะมีความมั่นใจว่าเป็นของจริงเมื่อไม่เราต้องคุยกับเขาได้ถามสารทุกข์สุขดิบได้ว่าเขาเป็นอย่างไรมาอย่างไร หรือถ้าอยากจะพิสูจน์ว่าให้เขาบอกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่รู้เฉพาะาที่เขาอย่างเดียวไม่มีใครรู้แล้วให้เราไปไปพิสูจน์ดูว่าเขาได้เอาของอะไรไว้ตรงไหนบ้างอย่างไรเอาของซ่อนไว้ตรงไหนที่ไม่มีใครรู้แล้วเราพอตื่นขึ้นมาเราก็ไปหาตามที่เขาบอก ถ้าไปเจอสิ่งที่เขาบอกว่าเขาฝังเขาฝังไว้ตรงนี้แล้วซ่อนไว้ตรงนี้อย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ไม่ใช่เป็นความฝันนะมันเป็นความจริงแต่ถ้าเราไม่รู้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ทําบุญไปก็แล้วกันเพื่อความไม่ประมาทอย่างน้อยเราก็ไม่ขาดทุนเราเราได้ทําบุญไปด้วยพร้อมๆกันได้ทําบุญด้วยด้วยได้แบ่งบุญด้วยคําถามต่อไปจากผู้ฝากถามครับในขณะที่ดูจิต เห็นความคิดจะทำอย่างไรกับความคิดถึงจะสงบครับก็ อ, อย่าดูจิตไงเวลานั่งสมาธิไม่ให้ดูจิตให้พุโทโธพุโทโธไปให้ดูลมหายใจอย่าไปดูจิตดูจิตมันก็คิดเลยต้องหยุดจิตด้วยการพุโทโธแล้วหยุดจิตด้วยการดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นายนั่งเฉยๆอย่านั่งดูจิตนั่งดูจิตเดียวมันก็คิดเรื่อยเปื่อยไป ต้องการให้หยุดจิตต้องใช้พุโทโธหยุดน่องใช้อานาปนานสติดูลมหายใจคำถามต่อไปจากคุณพิษพระอาจารย์เคยบอกว่าคนที่ไม่มีลูกไม่มีครอบครัวมีบุญกว่าคนที่มีลูกและมีครอบครัวเพราะเหตุใดครับเพราะไม่ต้องมาทุกข์กับครอบครัวมีลูกก็ต้องทุกข์กับลูกเนีย่ยจะไปพัฒน์นั่งสมาธิก็ไปไม่ได้ไปภาวนาก็ไปไม่ได้ มีลูกก็ต้องคอยดูแลลูกเลี้ยงลูกลูกกว่าจะโตโตแล้วดีไม่ดีมันไปมีลูกมาส่งมาให้เราเลี้ยงต่ออีกก็เลยมัวแต่มาคอยเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเลยไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติธรรมไปภาวนาแล้วมีก็ต้องคอยกังวลต้องห่วงกันมีแต่ความทุกข์ไม่ได้มีความสุขมีแต่ความทุกข์ใจนี่ก็มีกรรมทุก กรรมทําให้เกิดความทุกข์ใจบุญทําให้เกิดความสุขใจเราไม่มีลูกไม่มีครอบครัวตัวคนเดียวแสนจะสบายอยากจะไปทําบุญเมื่อไหร่ก็ไปได้อยากจะไปนั่งสมาธิที่ไหนก็ไปได้ไ ป, ไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ไปได้เลยหมดหรือยังกีก<อ>่กกคำ<อ>ถามเดียวครับคําถามจะคุณทันบาริน ขอวิธีวางใจให้อยู่กับเสียงพูดคุยที่เสียงดังโดยไม่ทุกข์ครับก็นึกถึงเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องดูเยเวลาเราอยู่กับเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องมันเป็นยังไงเราทุกข์ไหมล้วก็คิดว่ามันเป็นเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องไปก็บเรากันอย่าไปนึกถึงความหมายของเสียงพอไปนึกถึงความหมายของเสียงแล้วมันจะทาให้เกิดสัญญาอารมณ์เกิดความรักความชังขึ้นมา ให้คิดว่ามันเหมือนเสียงฟ้าล้องไปเราห้ามมันไม่ได้ถึงแม้เราจะรู้ว่าเขาเขาพูดดีหรือไม่ดีก็าตามก็ขอให้คิดว่ามันก็เหมือนเสียงฟ้าล้องเราห้ามเขาไม่ได้มีสองทางคือเดินหนีไปอุดหูเดินหนีไปหรือไม่เช่นั้นก็ทําใจเฉยๆคิดว่าเป็นเสียงฟ้าล้องไปแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนกับเสียงที่เราไม่ชอบเสียงที่ทําให้เราไม่สบายใจ